มันก็เป็นโลกกันหนึ่งความพอใจความไม่พอใจมันเป็นโลกกันหนึ่งจช่นรู้สึกตัวมันทีแใดว่าถ้ามันหยุดมันไม่เป็นไรมันไม่ต่อไปอีกถ้าเป็นการพูดก็ว่ากายสักว่ากายไม่ใช่จัตุรุคลตัวตนเราเขาอนิจจก็ยาวไม่ต้องเวสาทยายแบบนั้นเรารู้จักตัวมันก็หยุดแล้วไม่ไปก็แจ้งว่าอย่าถูกโลกรักษา ควมกเนิดของโลกได้คุามกำเนิดของตัวกูของกูได้อะไรก็ตามมันก็มีที่ตั้งตรงนี้ทั้งหมดเลยในชีวิตเรานะถ้ารู้ถ้าเห็นตัวเนี่ยกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมเนี่ยมันหยุดก็จะรู้ว่ามันก็ง่ายแล้วหัวหน้าพบชาติมีอยู่ตรงนี้ก็ว่าได้ถ้าไม่หยุดตรงนี้ก็ ปีจะบวชปายกี่ปีจะปฏิบัติกี่ปีมันก็ไม่จบจรินยังทุกข์แล้วทุกข์อีกความทุกข์อนเขา่ายังทุกข์อีกความรักความพอใจความไม่พอใจอันเก่าก็ยังเอาไม่พอใจไม่พอใจอยู่ไม่ไม่จบความโลภความกดความหลงความอะไรต่างๆมันไม่จบมันก็ไปเรื่อยๆเป็นพบเป็นชาติเป็นวัฏฏะสงสารเวียนว่ายไปให้โลกเป็นรถชาติของโลก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 กฐินกรรมอุปโลกกถินถ้าพระสงค์องไดรูปใดเห็นไม่สมควรจงทักท่วงขึ้นในทามกลางระหว่างสงถ้าเห็นสมควรนิ่งที่ก็ใช่ความนิ่งนิ่งหรือสาะตู่การถ้าไม่สมควรไม่ต้องนิ่งแสดงออกมาอันนี้ทำวินัยสติความรู้เสื่มความรู้ได้เป็นธรรมมั่ววินยัยเป็นมัก่กเป็นผลทำวินัยอยางนี่ย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 เป็นผู้ชนะคนได้น้อยก็เป็นโคตรแพ้ไปอันนั่นไม่ใช่เราจึงสบายที่สุดเราจะประโยู่ที่ไหนก็ได้อยู่ในโลกไหนก็ได้ถ้าเรารุ่หลักตรงนี้แล้วไม่ต้องกลัวเพราะมันอันเดียวตัวหลงตัวรู้อันเดียวตัวพอใจตัวไม่พอใจก่อนเดียวตัวโกดตัวโลภตัวหลงตัวรักตัวชังติดตั้งหาลาคะอันเดียวใครก็เหมือนกัน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 ว่าไม่รู้ก็มีรสชาติไปแล้วเพราะคนเรามันชอบรถเรียกว่าโลกคือรสรสของโลกไม่ใช่รถของธรรมรสของธรรมเหมือนเป็นรถอันเดียวสภาวาฐานังธรรมะฐ า, านังกิาติสภาวะละสังธรรมละโสกิาติสพาวะติณธรรมลติธิญาติอนหนักขโยสภาวะุขังกินาติสาสระะต ส, สรพระธรรมคือรถซื่อๆเนี่ยจะรถทั้งบวง ลดพระธรรมชนะลดทางบ่วงการให้ธรรมเป็นทานชนะกันให้ทางป่วงเสียงพระธรรมชนะเสียงทางป่วงการชิ่นไปแห่งทุกอย่างจบลงเป็นสุขในโลกเพราะมันซื้อแล้วมันไม่ไปอีกแล้วเป็นสุขในโลกพระพุทธเจ้าตรัสอย่างไม่ใช่หลวงตาพูดเองเนงะินก็มีทวหวานทุกสนในอายตนะของเรา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 เราก็ต้องเอาตงนี้ช่วยตัวเองตงัวในการปฏิบัติธรรมเพราะมันกรรมมันเคยติดเคยเพื่อนมาก็อย่าไปทอดแท้อย่าเอามาอ้างอย่าเอามาอยู่ข้างหน้าให้มันขวางกันเคยเป็นอย่างนั้นเคยไปอย่างนี้อย่าเอาอะไรมาเป็นขวางกันอย่าเอาลูกกัเมียอย่าเอาความเก็ยียมปวดมาเป็นของกันอย่าเอาความเห็นทิฏฐิานะมาเป็นเครื่องกัน้น ถลุงออกไปรูซื้อซื้อออกไปรูซื้อซื้อออกไปการรูซื้อถ้าเปียบก็เปียบเหมือนน้ำแต่น้ำมันแข็งมากแต่น้ำจริงงนะเช่นเขาเจาะหินเนี่ยเอาน้ำใส่หรือเลื่อยเหล็กเนี่ยก็น้าใส่อะไรก็ตามน้ำมันอ่อนแต่ว่ามันแข็งอันตัวรูซื้ซื้อเนี่ยมันอ่อนนุ่มแต่มันเข้มแข็งหนักเหมือนเรานิทานในฟางต้นใสกับต้นอ่อน ต้นใสใหญ่ที่จุดแข็งต้นนอต้นเล็กมันก็ไม่โคดไม่ล้มเหมือนต้นใสเพราะมันอ่อนตัวรูซื่อๆไม่กระทบกระเทือนอะไรมาเชื่อเข้มแข็งบูดบึง้งเอาจริงเอาจังถ้ารูก็ไม่รูถ้าไม่รูก็ไม่รูแข็งไปแล้วถ้าผิดก็ผิดแข็งไปแล้วถ้าถูกก็ถูกแข็งไปแล้วต่างก็มีลถไปทั้งนั้นมันก็ชอบลถแบบนั้น เหมือนคนติดกลินก่นกลิ่นกาของเหมน็มนๆเขาก็ติดอยู่น่ะอยู่แถวหัวลำโพงอ่ะพวกติดกิ่นทั้งหลายเป็นนั่งอยู่แถวช่วมห้องน้ําเหมน็นเขาก็ปูผ้านอนอยู่กับพวาเหมน็นพึ่บติดติ่นคนที่ไม่ติดกลิ่นเนี่ก็มันไม่เคยแต่ต้องช่วยตัวเองเหมือนหลวงพ่อหลวงตาไปวัดสนามไหนไปหาหลวงตาองค์หนึ่ง เราอยู่ใกล้ห้องน้าพอเดินข้ามจะผ่านคองไปแล้วก็ไปนั่งร้วยแมไ่ไม่เหม็นเหม็นช่วมเออทาไมอยู่ได้เน่ยมันเหม็นช่วมเหรอเ อ, อ้ยไม่เห็นเหม็นอะไรเลยเออสูดหาสูดทาหาสิ่งเ อ, อ้ยไม่มีอ่ะเพราะเขาติดเขาไม่รู้อ่ะมันเหม็นเพราะมันติดเพราะมันติดกลิ่นมันเคยกินเราหลงอเราเคยกินกับความหลง เราเคยชินกังความไม่หลงเราเคยชินกับความทุกข์เราเคยชินกับความไม่ทุกข์เราเคยชินกับความโกรธเราเคยชินกึบความไม่โกรธว่าไม่โกรธก็ไม่มันก็เคยชินความโกรธก็ไม่ก็เคยชินอะไรยื่นให้ก็เอาไปหมดเลยปฏิปธรรมมัเอาอะไรต่างๆบางคนก็รู้ไปเป็นผู้รู้ไปเลยบางคนไปรู้ไปเป็นผู้ไม่รู้ไปเลยบางคนก็ไปเป็นสุขปฎิเป็นผู้สุขไปเลย บางคนก็ทุกข์กลายไปเป็นผู้ทุกข์ไปเลยมันมีรสชาติสติเนี่ตัวซื่อๆตัวเนี่ยนะตัวซื่อๆเนี่ยโลกที่มันเป็นรสชาติของโลกมัน จ, จืดไปเลยนะเราพูดเทียนนะพูดว่ามันจืดเอาสำลีชุบน้ำมาบีบน้ำบอกมันจืดมีคนอุ้มเด็กน้อยมาเล่นวัดเด็กน้อยมันก้นมันแดงแลราพูดเทียนเอามือไปจับก้นมัน กดลงไปเลือดแดงๆมันจืดออกเกิดออกมันขาวเนี่ยสมัยเป็นอย่างนี้มันเป็นอะไรมันจืดจืดเลือดไม่มีขาวไปเลยพอวางมือออกเลือดหนังก้นของเด็กน้อยก็แดงขึ้นมาเอามือไปจับเีร ก, กดลงไปมันขาวชืดไปนะยมันจืดอย่างนี้ <c oughs> ถ้าใครเปรียบเทียบไปดูอมันจืดมันจืดคืออะไรคือซื่อๆคือภาวะตัวซื่อ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 คนที่เป็นชันสมัยหัวเล้ะล่องไห้นั่นไม่ทันสมัยล่าสมัยอย่าลุงตาเคยพูดอยู่เสมอว่าข่มกู่เป็นคนล่าสมัยแล้วคนที่มีทุกข์อยู่ก็เป็นคนล่าสมัยคนยังยินดียินล่ดีใจเสียใจพอใจไม่พอใจอยู่เป็นคนล่าสมัยเขาเอาอะไรมาเป็นสมัยเราลถของโลกมาเป็นสมัยคนทันสมัยเหนือมันนะ ขี่คองไปเหมือนกับเราวิ่งแข่งคนทันสมัยเขาโลบเขาโออไยเอายาวเสาวได้เข า, เ, า, เ, า, า, าเราไม่เอาของขวามาเป็นของเราแบ่งปันกันดีกว่าเหมือนกับคนสองคนวิ่งแข่งกันเหมือนเขาวิ่งแข่งกับเราคนได้เอาอะไรอะไรก็ของเขาของเขาของกูของกูเราขี่บ่าเขาให้เขาวิ่งเราก็ขี่บนบ่ามันเขาวิ่งไปทางไหนเราก็วิ่ง ไปทางนั้นเราอยู่สูงกว่าเขาอันนี้หมายถึงนา ม, มาทาเขาเลาะก็รู้เขาลองให้ก็รู้เขาได้ก็รู้เขาเสียก็รู้เขาสุขก็ขทุกข์รู้นั่งรถเอ็นั่งรถทั่วร์หายใจเออเขาสุขแล้วเราก็ไม่เห็นเมียเลยซื้อๆความสุขของเขามันเป็นซื่อๆของเราความทุกข์ของเขามันเป็นซื่อๆของเราท่านใช้ไหมแบบเนี้ย แค่น้อยัทำไมทุกของเขามันเป็นความซื่อชื่อของเราความรักของเขามันเป็นความซื่อชื่อของเราไม่ไม่มีรสชาติอะไแต่เขายังร้องไห้เสียใจตาหนุ่ตาเคยมีผู้หญิงสองคนมาหาคราวเดียวกันคนหนึ่งสามีตายอุบัติเหตุคนหนึ่งสามีหนีไปมีปัยแฟนใหม่สองคนทุกเท่ากัน คนที่สามีเสียชีวิตเพราะบันเทิงสามีเขาเป็นคนดีอีกคนหนึ่งสามีเป็นคนไม่ดีแต่วความทุกข์สองคนเหมือนกันใช่ไหมเหมือนกันไหมความทุกข์สองคนนะเอาร้องตายถามว่าทําไมยังทุกข์เหลือเกินไม่มียิ้มแย้มแจ่มใสเลยเศ้าสมองไปทําไมหนูสามีของหนูเป็นคนดี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 มันน่าจะตายเลยเป็นคนดีทุกโอ้มันคนคนไม่ดีไม่รับผิดชอบอ่ามีลูกมีเมียไม่รับผิดชอบไปชอบหญิงอื่นทำมาอย่งางทํานั้นมันก็ทุกข์เหมือนกันความดีกับความไม่ดีมันทุกข์เท่ากันถ้ามองดูๆเรามองดีๆเรามันซื้อๆเจ้าเนี่ยมันก็ซื้อๆของเขา โงทุก์ก็เป็นซื่อๆวันไม่ไม่ไม่ไปไกลมันแค่นั้นแต่ใจวันมาแล้วมันก็ยังไม่ซื่อมันเอามาทำไมทำไมเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันไม่ซื่อไอ้วนเวียนอยู่เป็นขบก่าทุก์วนเวียนไปอันเก่ามาคิดคิดจำแล้วคิดจำอีกหาเรื่องคิดหาเรื่องปัญหาต่างๆมันวนมันไม่ซื่อ มันเหมือนขอบกระด้งม้วแทงไตกระด้งเวียนไปเวียนมาเรียกว่าวัฏตักเวียนวายตายเกิดมันไม่ซื่อถ้ามันซื่อมันเขลียออกขอบกระด้งมันกลมตัดปุ๊บป๋อมันดีออกวางเป๊บลงไปนะเอาทิ้งไปทิ่บนเนี่ยขอบกระด้งที่มันเป็นไม่ไผ่ที่มันเป็นเช่นแล้วทิ้งไปนี่ยจิ้งไปมันก็ไม่ไหลนะเพราะมันซื่อแล้วถ้ามันกลมมันไม่ซื่อมันก็จิ้งไป จนจุดเบี่ยงจุดเบี่ยงตรงไหนสโสกะไปเทวดาทุกโทมนัตตุปสัสายาติตายไปเกิดตายเกิดตายเกิดตายโธนัตตุปสัสสายาตพบหนึ่งพบหนึ่งพบหนึ่งนับไปทั่วนพบชาติที่อยู่ในตรงนั้นนะพระพุทธเจ้ายังว่าตัดพบตัดชาติสิ้นพบสิ้นชาติเพราะอะไรเพราะมันซื่อออ ะ, ยยอะไรมันยากกันอะไรมันยากอะไรมันง่ายอะไรเป็นธิริตั์อะไรมันล่าจ๋อยอะไรมันทันสมัย ไม่ใช่ว่าโอ้ยคนโบราณเข้าวัดเข้าวา่าเหมือนพระเจ้านำเปียถามรัฐบาลเดลูกเจ็ดถีมาบวชรัฐบาลยังหนุ่มยังหล่อผมก็ยังดำอยู่มาหน้าจะบวชเลยทำไมหนอรัฐบาลจึงไปบวชเขาก็คิดว่ารัฐบาลจะต้องเลือกได้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 พระเจ้านามปิยะสนใหญ่เอ๊ะทำไมยังไปบวชคัว่าถามรัฐบาลท่านยังหน่มผมยังดกดำโลกชนเดียวของเศรษฐีแทนที่มีความสุขความสะดวกส น, นในโลกมากที่สุดรัฐบาลตอบว่าโลกนี้ ไม่มีใครป้องกันได้ไม่เป็นใหญ่เฉพาะตนยอมละทิ้งในสิ่งนักปวงไปโลกนี้เป็นธาตุของความอยากไม่รู้จะจบจากสิ้นอะไรจะมาได้พระเจ้านำไปจะโอ้มัน ก, ก็มองคนละอยา่อยางอจะมองให้รัฐบาลมาคองทรัพย์สมบัติเอาลูกเอาเมียเป็นข้าบอดีแทนบิดามันดาละโหลุก คือเชียงแรงนามคนสมัยก่อนคนเจอติเนี่ยมีชื่อเสียงคนจนเพิ่งได้รัฐบาลควรที่จะเป็นไปทำนองนั้นแต่ว่านั้นไม่ใช่มันไม่มีใครป้องกันได้ทรัพย์สมบัติตั้งหลายแบ่งเป็นของสมบัติของโลกเปลี่ยนกันใ ช, ช่เฉ ย, ยเอามาจริงน่ะเราดูซิในชีวิตเราไม่กี่ปีมานี้หลงตานี่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 ดูห้องนอนแม่เดินไปดูที่ที่เราเคยอยู่มีห้องฟ้าอะไรบ้างเล็กน้อยเห็นแม่อยู่ไปได้เดี๋ยวนี้แม่ก้าไปแล้วไม่กียน้อยใครอยู่ด้านหลานเขยเขาไม่รู้เราเขาจะว่าร้องตามาเลยเน้อเนี่ยเขาจะว่าน้องสาวก็มีอยู่จริงแต่น้องสาวไม่เป็นเจ้าของแล้วน้องสาวมีลูกสาว ลูกสาวคนเดียวก็เอาเอาผัวแล้วสามีใหม่เอาว่าเป็นเจ้าของบ้านหลังนั้นแล้วเราไปก็ไม่เหมือนแม่ยังอยู่กอไม่ควรไปเลยทั้งทั้งที่บ้านเราทำเองมันเปลี่ยนกงินใช้เฉยๆใช่ไหมบ้านเราทำเองแต่มันเปลี่ยนกันใช้ไม่มีใครเป็นใหญ่ไม่มีใครเป็นเจ้าของย่อมละไปทิ้งไป อะไรเราจะไปเอาอะไรไกลให้มันไม่ซื้ออะไรซื่อซื่อซะเดี๋ยวนี้ถ้าเราไม่ซื่อจะเป็นทุกข์จะมีปัญหากับโลกมากที่สุดเลยแล้วมาปฏิบัติทำนาจะเอาอะไรมาได้มันได้ซื้อๆของชีวิตเราหมดที่สุดการสิ้นไปแห่งความคตรงอเป็นความสุขในโลกคําว่าคตรงองอคือความหลงความอยากกิเลสตัณหาทั้งหลายมันโคต มีเมียเล่าที่เมีหนีไปมันคดคนก็นทุกข์พระมันคตมีเมียเล้วตายนีจจากกันไปเอาคนก็นทุกข์พรามันโคตรด้านก็ยังของจริงเมื่อบันไม่ป้องกันได้ชีวิตนะหายใจเข้ามาออกก็ตายหายใจออกไปก็ตายเราพัดอย่างมันไม่ซื่อเรามารู้ซื่อๆเสาะสติเดิเป็นตัวซื่อๆอย่างนี้เอาไหมความซื่อแบบนี้ ถ้าไม่ซื่อก็น้ำตาใบเช็ดเอาผ้าเช็ดหน้าใบเช็ดน้ำตามีลรคมีเมียขอให้กังวลเจ็บปวดคอยแล้วแม่ระวงังเป็นเมียเราหรือเปล่าเป็นผัวเราหรือเปล่านอกใจเราหรือเปล่าเป็นยังไงไปหรือเปล่าอะไรมันเป็นยังไงงงกันบางทีผัวติดเล่าเอา้าเป็นทุก กลับรถไปเรียนเอารถไปจำนำําเมียต้องตามไปใส่เป็นทุกชวนกันมาเลิกเล่าไอ้หลวงพ่อบอกรับปากกับหลวงพ่อหลวงพ่ อ, อเขาบอกเขว่าว่าเขาจะเลิกถ้าเขาจะเลิกก็สัญญากันว่าเราสาธุความกันสาธุทั้งลูกทั้งเมียทั้งคนที่จะเลิกเล่าเาก็สาธุมันไม่ซือ้อมันไม่ซือ้อเล่าบอกก็ติด ติดก็เป็นทุกต่อคนอื่นถ้ามันไม่ซื่อมันเป็นทุกคนเดียวหรอมันทุกกับคนอื่นไปอีกเบียดเบียนไปอีกเบียดเบียนแม่แต่ธรรมชาติจริงแวดล้อมเบียดเบียนไปหมดเลยนี่จะว่าพูดกับทุกคนนะอันเดียวกันแท้ๆเราเนี่ยสองตาก็มีชีวิตอยู่ก็อยากจะพูดอาจารย์ท่านก็สอนอยู่ช่วยช่วยกันไปขอเป็นส่วนร่วมด้วยกับการสอนธรรมะกับการพูดธรรมะ การพูดตามมาก็แค่ฟังแต่การทำมันเป็นเรื่องของเราทำไงเราจึงจะมีสติซื่อๆก็นี่แหละเรามารู้เนี่ยหัดซื่อๆมันรู้ถึงตัวมันซื่อไหมอะไรมาเาแยกไปอีกอมันหลงอ่อซื่อกับความหลง่าแค่นั้นแหละความหลงมันรู้ก็แค่นั้นแหละมันซื่อกับความหลงความผิดความถูกความทุกความอะยต่างๆมันซื่อไปหมดเลย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 เขาไปศึกษาธรรมะคนโบราณไปศึกษากับอาจารย์เช่นอาจารย์ครับความกวดเป็นไปยังไงความโลภความหลงเป็นยังไงเขาตอบยังไงเราไม่ชี้น้อยอาจารย์ตอบไไอาายัไไ ง, บง ไ, ไงอาจารย์เชนความขวดเป็นยังไงครับความหลงเป็นไงครับอาจารย์เชินกู ว, ว, กว่าพวกไม่เท่าตีหัวโป๊ะเลยไอย้คนมาถามโกรธขึ้นมาหน้าบูดหน้าเบ่งขึ้นมา เ, เก็บหัว อาจารย์ไม่เท่าตีหัไม่ต้องพูดเลยทาไมมันโกรธขึ้นมาคนถามว่เห็นควาโกรธโอ้ความโกรธเป็ น, นี้นีะเอ้าลากลับบ้านลืมห่วงไปอ้าความหลงเคยอะไรหรือกลับมาเอาหวกเอ้นี่ความหลงเลยนะเออหลงไปเป็นอย่างนั้นความไม่ต้องพูดใช่ไหมไม่ต้องพูดเลยแ ล, แล้วใครจะเห็นล่ะตัวลูกซื้ อ, อจะไปเห็นกห อาจาร์ก็ไม่เห็นหลงตาไม่เห็นครูบาอาจารย์ไม่เห็นตัวเราเห็นเองเห็นไหมเห็นมันไม่ซื่อกับเราไหมอะไรที่มันไม่ซือ่เอเกิดขึ้นขณะที่เราจเจริญสติซื่อๆเนี่ยทำให้มันซือ่อซะนี่คือการปฏิบัติธรรมคือพูดเรื่องเราทำเราทำเรื่องที่เราได้ยินไปมันก็มีการสมบูรณ์ขณะ ท, ที่แล้วการศึกษา ยอดชั้นอุดมสมบูรณ์ที่สุดเลยมันมีอยู่แล้วคําพูดมันเป็นสมมติบัญญัติแต่มันเป็นปรมาจารย์ที่เห็นจริงเป็นจริงมันเห็นความรู้มันเห็นความหลงเห็นความสุขความทุกข์อย่างนี้ใครก็พูดกันสติชื่อสติื่อให้มากที่สุดอย่าให้ลองตาพวกคนเดียวนะเห็นกันเหรอเจ้าเนสติชื่อๆนะเอาเป็นไรมากๆันเดือดมัดจงโตเลย ไอ้ก็ชื่อๆไปหมดเลยอย่าไปาเราก็พยายามอาศัยคําพูดของเราสอนเราจะเริ่งทำไปพางหลุดพ้นไปพางจะเริ่งทำไปพางปฏิบัติทำไปพางทํางานไปพางบรรลุทำไปพางเหบาะมันชื่อๆที่น้อยตามน้าเพี้ก็ชื่อๆโอ้ยอย่าว่าอย่ายากอย่างง่ายเอาไปทําอะไรก็ชื่อๆไปเลยนะ ใจซื้อๆําแก้วแฉบแฉบแล้วแค่น้อยถ้าใจไม่ซื่อตําแก้วว่าแฉบดอกเพราะมันใจคงก่อนนอนไม่ซื่อแม่ห่วงข้าวให้ลูกน่ะโอ้ยข้าวปอนลูกวิธีอะไรมันจะอร่อยคนแล้วคนเอกแฉบแฉบน้นํานมของแม่ก็แฉบถ้าแม่รักๆเวลาแม่ให้นมถ้าแม่ให้นมล่ะทั้งดูทั้งด่าบ น, น, านลูกก็ ได้ความร่ายเอาไปเพราะให้นมน้ำใจที่มันร้อนแล้วก็ได้ร้อนไปแม่ให้นมลูกต้องยิม้มดองหน้าลูกต้องยิม้มใีเมตตาเห็นลูกกินนมโอ้ยพอใจยิย้มบางคนไม่ยิ้มนะเอาเอารมข้างมาดุมาด่าว่าแสดงด่ากันขณะดให้นมลูกลูกก็เป็นคนที้โกรธไปเลยใช่ไหม อ, อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะ ถาทให้มีสติซื่อๆนี่แหละดีที่สุด